จากที่เราได้ตาอขยายพระสูตรนั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วก็ให้มีการย่ำลงไปอีกในการศึกษาปฏิบัติอย่าได้ประมาทชีวิตของเราเนี่ยสมฉลางแก่เท่านำเข้าไม่ยั่งยืนได้เราไปทุกขณะ เราจะมีอะไรที่เป็นเชียนฉานในการที่เรามีชีวิตผ่านมานี่ร้อนต่อเดินจากกติมานี่ก็ก็เหนื่อยแล้วทุกวันเนี่ยเดินมาทำวัดเดินกลับไปก็เหนื่อยมันก็หมดไปอย่างนี้ต่อไป จ, จะย่ายมาจูเถวเถวกติดินพิตะวันตกของหอใจ มันหัวเสืภาพไปเรื่อยๆอย่ามอเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่ามัวเมาในเพศในวัยอย่ามัเมาในทรัพย์สินสะดองคารอะไรมากเกินไปเตรียมเอาไว้เตรียมใจก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้มก่อนแล้งโบราณท่านว่าเตรียมแบ้งก่อนเดิน เวลาเราไม่เตรียมล้วจะไปไหนไม่ใช่เราจะอยู่นี่ต้องเหมือนการเตรียมอะไรไว้บ้างแต่ไม่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองสต่อยังมีได้พบเห็นยังหลังเป็นเด็กๆแม่จะนึ่งข้าวสุกล้วก็ตากแห้งไว้ใส่ถุงใส่ถทยไว้เวลานอน แม่มักจะเอาข้าวแห้งไม้เขีนยนเอวให้แนะนำวิธีกินข้าวแห้งไป่บางเคสนก็แม่พ่อหอบลงไปนอนในหลุมปากล้วยในบ้านเป็นขึ้นมานอนอยู่ในหลุมน้องให้ก็ไม่ได้จุดตะเกียงก็ไม่ได้ อ๋อข้าวแห้งเถียนเอวตลอดเวลาคืนเนี่ยเวลาพ่อแม่เอาไม่ทันถ้า ห, หิวให้ออกข้าวแห้งมาอมอย่าเขี้ยวอมเอาอมแล้วค่อยคเกินน้ำมันจะค่อยอ่อนลงเวลามันอ่อนก็มีน้ำลายเกินลงไปมันมีน้อยอย่าไปเชี้ยวเกินค่อยค่อยเกินน้ำมันเอามันจะได้หลายชั่วโมง ตวที่จะได้พบเห็นกันตวที่จะมีคนมาช่วยเหลืออันนี้ก็เตียงเมืม่อเดี๋ยวเราจะเดินทางไกลต้องมีอะไรที่เตรียมไว้เวลาหนาวมีผ้าห่มเวลานอนมีน้าดื่มเวลามีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียาบรรเทาอะไรนึกนิดน้อย เวลาเราเจ็บทำไงเวลาเราเจอะทำไงเวลายกจะตายทำไงยอย่าให้โจรเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการเกิดเจเจ็ บ, จบตายนี่ไม่ใช่วัตถุอันอื่นเป็นเรื่องธรรมะมีสติมีสมสัะเห็นที่เหมือนเห็นการเกิดการเจอการเจ็บปา ร, ารปตาย ความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นสิ่งที่คอบงำเราแล้วเราทำจะไหนกันทำที่สิ่งเหล่านี้ให้มันไม่มีแกไม่เจ็บไม่ตายอันนี้สำคัญไม่ใช่วัตถุชื่อหาเอาไม่ได้ต้องเอากายเอาใจนี่ไปศึกษาเอามีสติสมชัญญะให้เห็นแล้วก็อย่าประมาทอะไรที่มันเกิดขึ้นให้รู้ มีสติรู้ไปรู้ไปแต่ว่าการที่มันเกิดขึ้นแรกก็เจอความหลงเห็นหลงเห็นรู้คู่กันไปเห็นทุกข์เห็นไม่ทุกข์คู่กันไปเห็นปัญหาเป็นปัญญาคู่กันไปนั้นมีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับชีวิตเรามันมีการบ้านเราจะมีสติเป็นที่ตั้งเอาไว้ ไม่ใช่ไปหาทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายมีสติเป็นอดีัพย์ภายในป้องกันเกิดเจ็บเจ็บตายได้ทชอบภายนอกป้องกันร้อนหนาวหิวเจ็บไข้เรื้ป่วยส่วนร่างกายได้จนเกิเจ็บเจ็บตายไม่มีวัตถุอะไรใครก็ช่วยเราไม่ได้ตัวใครตัวมันเจ็บไข้เรื้ป่วยต้องก็มีคนอื่นช่วย แล้ววันนี้หลงตาก็มีหมอนัดให้ไปหาหมอก็ช่วยแต่ว่าเวลาเก็บเวลาเจ็เวลาตายใครจะช่วยเราได้นอกจากเราหัดเอาไว้เรามมนก็หัดได้นะที่ว่าเป็นทุกข์มันไม่ต้องทุกข์ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทฉไงกันตอนที่ถูแต่งกองทุกข์นี่ ทุกันนี้คือทุกเกิดเจ็บเจ็บตายเนี่ยอย่างน้อยความไม่เที่ยงความไม่ทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเราอาศัยความไม่เที่ยงอาศัยความเป็นทุกข์อาศัยความไม่ใช่ตัวตนที่มันทําให้เรามีปัญหาตรงนี้ถ้าเราศึกษาจะได้ปัญญาตรงนี้ความไม่เที่ยงเป็นปัญญาความเป็นทุกข์เป็นปัญญาความไม่ใช่ตัวตนเป็นปัญญา ถ้าเราไม่ศึกษาก็เป็นปัญหาเมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเสียใจร้ อ, องไห้อกหักเมื่อความไม่เทุเกิดขึ้นเสียใจร้องไห้อกหักเสียนตายเมืออม่อความมชื่อตัวตนเกิดขึ้นเสอยดายยึดมัน่นถือมั่นไว้นื่อว่าตัวเราของเราเราก็ถูกหลงตรงนี้กันจำนวนมาก เราจึงมาศึกษาดูมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่มีโทษมันมีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์มันมีโทษถ้าเราใช่อไปเป็นเป็นดาบสองคมค น, นนั้นโทษมหันสุก็มีทุกข์เป็นคู่อะไรที่มันอาจชะเป็นตัวของตัวมันมาพิ่มกัน ในจริยธรรมพุทธธรรมมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมพุทธธรรมเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลกชีวิตของเราเป็นสัตว์ประเสริฐในโลกจะให้ขาดพุทธธรรมนี่มาเป็นคู่ชีวิตเราชีวิตไม่ใช่หายใจได้เดินได้ยืนไ ด, นได้ทำอะไรได้ไม่ใช่ชีวิตแบบนี้ ชีวิตแบบที่มีชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรมันเห็นเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงเนี่ยเป็นชีวิตเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นความร้อนไม่เป็นผู้ร้อนเห็นความหนาวไม่เป็นผู้หนาวเห็นความหิวไม่เป็นผู้หิวเห็นความเจ็บความแก่ความเจ็บคนตายไม่เป็นผู้เจ็บผู้เจ็บผู้ตายนี่คือชีวิต ชีวิตไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกถ้าว่าเจ็บเป็นเจ็บชีวิตไม่มีแล้วเจ็บเป็นเจ็บร้อนเป็นร้อนกูร้อนกูหนาวเอากูไปฝากไว้กับอาการที่มันเกิดขึ้น <c oughs> กับรูปผมนามมี้ตัวไม่ตนตรง น, นั้นอันตนแบบนั้นไม่ใช่ชีวิตมิแต่เกิดเจ็บเจ็บตายเป็นภพเป็นชาติ เกิดขึ้นต้องอยู่ระบายเพราะปูนแบบนั้นอะไม่กิลังยั่งยืนถุกก็เป็นภพหนึ่งทุกข์ก็เป็นภพหนึ่งเอตนาสัญญาสังขารเป็นภพหนึ่งมันเกิดดับชีวิตเราก็ถูกอาการเกิดดับเราเนี่ยข้องาําเกิดที่ใดเป็นทุกข์ทุกทีเกิดเกิดที่ใดไปทุกล่อมไปเมื่อเรามีสติเห็น เห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับรูปกวานามแล้วก็เกิดปัญญาได้รู้แล้วในความไม่เที่ยงรู้แล้วนัึกเก่าถังขยะตอนที่บรรทุกพวามไม่เที่ยงเอาไปที่ยงในความไม่เที่ยงมันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ทุกเป็นทุกเออกไปยิ่ยงในความเป็นทุกมันจริงแบบนั้นไม่ใช่เราในความไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เราในความเป็นทุกก็ไม่ใช่ตัวตนเราไปที่ยงลงนั่นแหละเป็นเถรยาอันใหญ่สามารถเอาไปที่ยงลงได้ถ้าเอาความไม่เที่ยงทิ่งลงความไม่เ ท, ที่ยงเอาความเป็นทุกเที่ยงองในความเป็นทุก เอาความไม่เช่ตัวตนทิ้งลงในความไม่ใช่ตัวตนมันก็สะอาดเป็นภูมิจัน์ไม่เปืเป้อนๆความไม่เที่ยงไม่เปื้อนๆความเป็นทุกข์ไม่เปืเป้อนความไม่ เ, เมช่ตัวตนเหมือนหน้าบ้านที่มีถังขยะหรือวัดสุโกโตที่มีถังขยะไม่มีที่ทิ้งต่อไปทิ้งไม่มีขยะในหัวใจอ่ะ ในความเป็นทุกข์ก็มีในความเป็นทุกข์ที่ใดเป็นทุกข์ทุกทีในความเป็นเที่ยงเกิดที่ใดมีความเป็นทุกข์ทุกทีหรือว่าขยะเต็มไปหมดพรวไปหัดไม่ทิ้งยึดไว้ถือไว้หรือว่าเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราทั้งแต่มาเป็นทุกข์ก็ยังเอามาเป็นทุกข์ เช่นผมบางภูเขาพุทธธรรมปื่นออกมีธรรมในตรงนี้พุทธธรรมพุทธะ ร, รูตื่นเบิกบานธรรมะขน่งขน่งออกขน่งตัวเองออกธรรมะเป็นเรื่องขน่งใน้พ้นปัญหาเหล่านี้พระอรหันต์บางรูป จนอุทานออกมาว่าชี้ตังเมชีตังเมชีตังเ ม, งเมพ้นแล้วพ้นแล้วโอ๊ยพ้นแล้วโอยน่าจะให้เขียนไว้ที่โถที่ทําขีเสือนะขี่เสือก็ว่าขี่เสือนี่พ้นแล้วพ้นแล้วโอยพ้นแล้วโอ๊ยแต่ก่อนเสือมันตุ เราเห็นเสือที่สิบสองปันนาก็มาแสดงละครได้ขึ้นฟุตวรพฟุตบอลใหญ่ๆมันก็ขึ้นนั่งบนฟุตบรลวยจี้งไปไปทั้งหน้าถอยทั้งหลังถอยเป็นวงกลมอยนไปทีมันขึ้นอยู่นั่งโยนฟุตวร น, นั่นฟุตวอเท่ากันกับโอ่งน้าเนี่ย เสือมันก็ตัวใหญ่สิงโตก็ตัวใหญ่ขึ้นนั่งอยนพุทโธนักงสี่ขาไม่ได้เหยียบพื้นมันก็นั่งอยู่บนนั่นเิ่งไปยิ่งมาไปหน้าไปหลังวนเวียนอยู่คนบอกเิ่งไปไหนมันก็เิ่งไปมันเอามาแสดงละครมาเล่นให้คนดูเสือบัรดุมันยังขัดได้ แล้วนี่มันก็อาจจะดูกลัวเสืออารมณ์เนี่ยมันไล่กลัวเสืออารมณ์เป็นคู่กับใจมีนามมีรูปมีนามอารมณ์เป็นคู่กับรูปนามนี่ครอบครองมนุษย์มันไล่กลัวเสือทําลายคนมามากกลัวเสือเจอไม่ค่อยมีกันทําลายเท่าไหร่นี่อารมณ์มันไล่กลัวเสือ ขีมันได้ทำาาก็ศึกษาทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตอนเหาเขาอารมณ์ก็ไม่มีพิษภัยตั้งแต่เราศึกษาข้าแรกผ่านตรงนี้กายสวรรค์ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตอนเหาเขาสุขทุกข์ที่เดเวทนาก็ศักษาเวทนา หรือสุขทุกข์นั่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหลงเขาทำที่มันเป็นสิ่งที่อารมณ์มาครอบมามั้งรูปทั้งนามก็ศากดิว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหลงเขาเพี้ยนความโกรธก็ศักดิว่าความทุกข์ก็ศักว่าของหลงศักว่าความลักความชังศักว่าความดีใจเฉยใจศักว่าทำมันทั้งหมดพูดง่ายๆเลยว่าทำ ถ้าเป็นความดีก็เป็นกุศลถ้าเป็นความชั่วก็เป็นอกุศลให้รู้จักแก ย, ก, ย, ยกกุศลควรทาอกุศลควรละถ้เราเดินทางผิดอะไรผิดก็กลับใหม่ไปทางที่ถูกควมหลงไม่ถูกควรไม่หลงถูกย่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ บางทีกลางคืนหาเรื่องมาหลงหาเรื่องว้คิดเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดนั่นแหละกุศลหรอกุศลอยู่ตัวกันนั่นเอาเลย้าไม่เปลี่ยนตรงนั้นก็ยังหลงอยู่หลงจนตายนั้นหลงรู้ขึ้นมาให้มีสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนดูแลหัดเอาไว้เรามันหลงไม่ความรู้ เวลามาสุกคนทุกมีความรู้ให้ได้ตลอดสารพัดนึกสารพัดประโยชน์นาเป็นเพื่อนกันใครใคก็มีสติง่ายง่ายไม่ยากถ้ามีสติมันก็เป็นระเบียบเรยียบร้อยสงบร่มเย็นถ้าหลงก็วุ่นวายให้ตลอดกวุ่นวายเมื่อเราวุ่นวายก็คนอื่นก็วุ่นวาย ไปอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายเงั้นหมายขี้เลื่อนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขแล้วรักษาหายแล้วมันก็ไม่วุ่นวายรักษาได้ความหลงรักษาได้ความกวดรักษาได้ความทุกข์รักษาได้เกิดเจ็บ เ, เจ็บตายรักษาได้เหกือการเกิดการเจ็บการเจ็บการตายทําได้ทําได้อยู่ สังขารเปลี่ยนไปวิสังขารสังขารคือทุกสังขารคือถูกสังขารคือโอดโลดห ล, ลงเปลี่ยนได้อยู่อันนี้จเอาจะสังขาลาสังขารเกิดขึ้นเจรเราแล้วเนอเกิดขึ้นเจริท่านแล้วนะโอปปัตตวายธรรมไม่โนมันอุปทานยืดไว้เฉยเฉยอย่าไปยือดอุปชิตตวันโลยชนติวางสาวางสา วางเันด้วนึกว่าตัวเราสาไม่ใช่วางลงแต่สมมูปะโมโุขเมื่อเปลี่ยนวางมันได้มันก็มีความสุขแทนที่ด่ากันทะเลาะกันแทนที่หมูนคนคิดกลายเป็นการยินขนาดเดียวกันนั่นสอมผัสเอาบัณฑ์โอทพุทธธรรมพุทธธรรม ว, า โ, วาโทว่าโทตื่นทุก มือเป็นหลังมืออย่างเนี้ยถ้าไม่ใส่ใจตรงนี้แล้วก็ปิดบังจุดไฟในที่มืดสองแสงสว่างในที่มืดคือลักษณะแบบนี้อาทิตย์สว่างในกลางวันมระจสว่างในครางคืนธรร ม, มสว่างทั้งกลางวันกลางคืนสว่างกลางคืนคือมันมืด สว่างกลางวันคือสวมสุกสวทุกเมื่อสีขาวอย่าหลงรู้ขึ้นมาไม่หลงทั้งสุกไม่หลงทั้งทุกทุกก็เป็นสังขารสุกก็เป็นสังขารอย่าหลงเรือพุทธธรรมมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเอามาใช้เอามาใช้ อิธีใช่อายชับนี่ก็มีหายใจเข้ารู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอย่าไปใส่ใจอันสุขอันทุกข์กลับมาหาตัวเองนอนอยู่ก็หายใจเข้าหายใจออกนั่งอยู่ก็หายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ไม่จนเรื่อง น, นี่อย่าจนเอามาใช่แต่ใช้ ย, ยิ่งมากหักยาวให้หวัน่นลักสั้นให้โต ต่ความรู้เอาไว้ความหลกงก็ชั่นลงถ้าต่อความหลงความรู้ชั่นลงจนหมดไปหมดไปเลยโกจนตายหลงจนตายทุกจนตายไม่มีใครตาบอดเท่ากับคนที่ไม่รู้จกักเปลี่ยนไม่มีใครหูหนวกเท่ากับคนที่ไม่ฟังเสียงตัวเองเสียงสงบมันมีกว่าเสียงอะไร อาจารย์วุฒิวัฒตกมือข้างเดียวเสียงดังก้องมือท่านตกสองข้างเสียงดังได้เสียงมือฉันดังก้องทั้งหลัวก้าเสียงมือท่านดังไกลไม่กี่ว่าความสงบมันดังความวุ่นวายมันนิดหน่อยได้ยินแต่ตัวเองวุ่นวายอยู่ตัวเองแต่เสียงสงบมันสงบไปทั่ว สัจต่ว่ามันสงบกายสัจติว่ากายดังมากไม่ใช่สุขทุกข์จิตเวทนาสักเวทนามนดังดังกว่าที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์จิตก็สกวัสดิ์จิตมันดังกว่าที่จะมันพุ่งสร้างทำสังวรธรรมมันดังกว่าที่ไปปุงปุ่งแต่งแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์ กุ้งอรยคุ้งดีถ้าเราไม่มีปกึกว่ามันก็จนตรงนี้ถ้าจนตรงนี้ก็จนไปเรื่อยๆไปโซ่ไหมแจ้กุญแจไม่ไขติดไปเรื่อยอะไรก็ติดถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็ง่ายง่ายเหมือนขาขึ้นถ้าลงก็ง่ายถ้าเราขึ้นมาสุกโตเนะถ้าขาลงไปก็ไม่เปลืองพลังงานเหมือนรถ เอียงไปไหลไปถ้าผ่านตรงนี้ก็เอียงไปไหลไปผ่านใจรักก็ไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนถ้าผ่านตรงนี้เอียงไปไหลไปสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายเหมือนทะเลมหาสมุทรที่สูงหลยตรงสู่ที่ต่ำไม่มีอะไรขวางกั้น น้ำจากลำบะเทานี่ที่เกิดจากกูหลงไหลไปไหลไปไหลไปบ้านบ้าน น, นันเมืองนี่มาหน้าวัดเราไปโน่นไปนี่ไปต่ตนตกลงมาน้ําขีไม่น้ําขีตกลงมาน้ามูลไม่น้ามูลตกอยู่ตกลงมาน้าโขงไม่น้านานําข ง, าาขงตกสู่ทะเลตะเดียกินตนนอนตะเลก็ถูกมาหาสมุทร ถ้าเปลี่ยนได้เห็นแต่ลักษ์ตามความเป็นจริงเห็นกายสภาวะกายเวทนาจากเวทนากิจสวะจิตธรรมสวะธรรเอียงไปไหลไปเ่ไปสู่มรรคสู่ผลเริ่มต้นันเห็นเนี่ยเห็นไม่เป็นนี่ไปแล้วหลุดโซ่ไปแล้วหลุดหลักหลุดต่อไปแล้วเห็น ไม่เป็นพ้นไปแล้วพ้นจากสุขไปแล้วพ้นจากทุกข์ไปแล้วพ้นจากความพอใจความไม่พอใจไปแล้วยังไปไหลไปแล้วถ้าเป็นเนี่ยไปไม่ได้สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้นั้นมีให้เราเปลี่ยนอยู่ เวลาเรามีสติมันก็เห็นความหลงอยู่ให้มันมันคู่กันไปหลงทีรูลล้ทีนั่นสุขทีลดรู้ทีนั่นเรื่องแรกแรกก็เห็นกายเนี่ยมันจะหลงกายจิงที่มันเกิดกับกายมักจะเป็นตัวเป็นตนเช่นความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความหิวความอะไรต่างๆมันจะเป็น มันเคยชินมันเป็นวางที่อาจจะล่องโอยปวดเข่าเวลาล่องโอยหน้าตาก็โอยลอยๆลยไปล่วงลอยไปถ้าเห็นมาจากเยิ้มๆสักหน่อยเห็นมันปวดหัวเลาะมันเยิ้มๆไม่โอยมันก็เปลี่ยนลักษณะวิถีชีวิตถ้าโอยนหนักถ้าเห็นนเบาเบา ไม่เป็นยิ่งเบาที่เกิดกับกายที่เกิดกับใจเหมือนกันโอ้ยเหมือนกันไม่ไหวไม่ไหวตายตายตายแย่จังแย่ย่างนี่ไม่ไหวอย่างนี้ไม่เอาอันนี้เอามันก็ยังติดโซ่อยู่ถ้าเห็นจกว่ากิจมันก็ หม่แล้วอะไที่เกิดจากกิตความรักความชางความโกรธความอิจฉาพยาบาทอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเห็นไม่เป็นมันก็เบาไปอาจะหัวเราะความโกรธหัวเราะความทุกข์หัวเราะความหลงหัวเราะความเกลียดความชางังดีใจเสียใจนันเป็นอาการไม่ใช่ใจนันเป็นอาการของ นามธรรมความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความหิวเป็นอาการของรู ป, ปรธรรมมันเป็นรู ป, ปรธรรมมันเป็นนามรธรมรมความสุขความทุกข์ที่เกิดจากรู ป, ปรธรรมนามรธรรมเป็นสมมติปัญญัตไม่ใช่ปรมาจักรพูดแล้วพูดอีเแคนความหลงเป็นสมมุติเป็นสมมุติปัญญัตความหลง ให้เป็นความรู้เป็นปรมาจิตจะมันจริงกว่ากาันความหลงไม่จริงความไม่หลงจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงเปตมะทวัตถุอาการตายก็เป็นวัตถุด้วยรูปนามก็เป็นวัตถุด้วยว่า น, นามมีรูปไม่ลดไม่กลิ่นไม่เสียงเป็นวัตถุ เมื่อตาเห็นรูปเป็นอาการเกิดขึ้นเกิดการเห็นเป็นอาการตาเห็นแล้วพอใจไม่พอใจเป็นสูตบัญญัติตรงบัญญัติเอาอาการที่เห็นเมื่อมีการสูงบัญญัติก็มีอุปทานยึดว่าเราว่าเราว่าของเราเป็นวกเป็นชาติตรงนั้นใหอุอวานยึดสุขของเราทุกข์ของเรา มันโตเน้องินไปอย่างนี้มันเป็นสูตรอย่างนี้สูตรลื้อถอนเป็นอย่างนี้สูตรไม่ลื้อถอนก็เป็นอย่างนี้ท้าวพระเจ้าจึงเห็นว่าคงเรือนทั้งหมดเราลู่จอกเศาเ้าเจ้าแล้วโยดเรือนเราลื้อเฉลียวคงเรือนทั้งหมดเราลื้อเสียแล้วคือลื้อจากที่นี้ลู่จอกวัตถุาการเหล่านี้ ต่อไปทุกสุขทุกจะไม่มีอะไรเจริเราอีกแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งห า, ปปาอะไรปงแต่งไม่ได้อีกต่กอไปมันถึงพระนิพพานมันก็ไปอย่างนี้ไม่ใช่จะอยู่ๆจะห่อหิวไปที่ไหนความทุกข์เย็นลงความโกดความโลภความหลงอาการต่างๆเย็นลงศึกแต่ว่า ตาเห็นโลกสักแต่ว่าหูวด้ยินเสียงสักแต่ว่าจมูกได้กิ่นเล่นและรอดกายสัมผัสจิตใจคิดนึกสักแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรถ้าเราไม่มีสติมันจะไม่สักแต่ว่าเป็นวกเป็นชาติเกิดแต่เหตุดับแต่เหตุก็อยู่ตรงนี้อย่างในปิจจัตสมวบาตามที่ทำให้เกิดทิษฎีที่ยอดเยี่ยม ผู้ใดเห็นธรรมพุนนนทพนั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมพุทนั้นไม่เห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมพุ้นั้นเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทกอเห็นอย่างนี้ปฏิจจสมุ ป, ปบาทเท่าออไรือควรไม่รู้อวิชชาเมื่อมีอวิชชาคอยเกิดสังขารกรุ่มแทงแปลงสังขารเกิดนามารูป สุขทุกข์เป็นนามรูปดีใจเสียใจเป็นนามรูปนามรูปก่เกิดอายจตนะมันก็ต่อกันไปอายตนะเกิดปัจฉาปัจฉาเกิดเวทนาเวทนาเกิดตระหนักรูปธรรเกิดภพกเกิดชาติชาติมรณะโศกะกิดไปเทวทุกข์เกิดดับเกิดดับตายตรงนี้แล้วก็เพราะมีวิชามีสติ มันก็เป็นวิสังขารมันก็ถวนกลับขึ้นมาถ้าไม่มีสังขารก็ไม่มีนามรูปนี่แต่รูปนามธรรมดานามรูปที่เกิดดับเกิดดับไม่มีอาอยุเะก็ไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีชาติภพไม่มีเรยกว่าสิน้นภพสิ้นชาติตรงนี้มันไม่ใช่ไม่มีอะไรที่มันไม่เห็นทำเห็นอยู่ เหมือนเราจะลื้อบ้านวิธีลื้อทำไงาอาาลาหลังนี้จะลื้อมันจะทำยังไงนะจะไปขุดเสาออกเลยเหรอมันทำไม่ได้ต้องเอาไปมันออกนอนหลังขานอนค่อยๆลือลล้อลงมาลื้อลงมาจนเอาเสาออกเป็นขั้นสุดท้ายเพราะมันรูขวมหลงเป็นขั้นสุดท้าย เพราะมันรู้ความโกรธเปครั้งสุดท้ายเพราะมันรู้ความทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายอย่างนี้เรียกว่ามันมีสูตรแบบนี้สูตรของคนน่ไม่ไปที่ไหนอันเดียวกันความหลงก็อันเดียวความโกรธความทุกข์อันเดียวเป็นทุกข์ก็แบบเดียวกันความมเที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์ ความเป็นทุกข์เป็นทุกข์เราข่มไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ขมไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นทุกข์คมเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์อันเดียวที่เนี่ยไม่ใช่คนอ่านอย่าเอาเพศเอาไว้มามาขวางกั้นนักปวดกระวาดคนหนุ่มคนแก่ไม่เกี่ยวชอดใดนุ่งผ้าสีใดที่ใดไม่เกี่ยวอหนังสือได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวความรู้ความหลงมีทุกคน อ่านตรงนี้แก้ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ถ้าไม่อ่านตรงนี้อ่านไม่ออกจนตรงนี้มืดหลงเป็นหลงปูตุชนเนื้อหนามืดบึกหนาสาหดถ้าหลงเป็นลู่หรือว่ามีปริญญาแล้วใครก็ทำได้อย่าไปอ้างมันสมองไม่ต้องไปใช้มันสมองความคิดเหตุผลเหตุผลไม่ใช่จะจะทำ คมหลงควมไม่หลงเหนือเหตุเหนือผลควมทุกข์ควมไม่ทุกข์เหนือเหตุเหนือผลแม่นว่าล่ะฮะควมหลงกับควมไม่หลงใครเป็นคนบอกใครเป็นคนเห็นเรานี่เป็นคนเห่นใช่ไหมไพฉี